เมื่อดวงอาทิตย์ถูกม้วนตัวและเมื่อบรรดาดวงดาวร่วงหล่นล ง, ล ง, ลงและเมื่อบรรดาภูเขาถูกเคลื่อนย้ายลาลลและเมื่ออูดท้องสิบเดือนถูกทอดทิง้งและเมื่อสัตว์ป่าถูกนำมารวมกั น, ล رت, ลนและเมื่อทะเลลุกเป็นไฟ และเมื่อชีวิตทั้งหลายถูกจัดเป็นคู่และเมื่อทารกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นถูกถามด้วยความผิดอันใดเล่าเขาจึงถูกฆ่าและเมื่อบันทึกทั้งหลายถูกกลางแผ่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 ข้าขอสาบานต่อดวงดาวที่ซ่อนตัวในเวลากลางวันที่โคจรรับดวงข้าขอสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันมืดมิดและด้วยเวลาเช้าตรู่เมื่อมันทอแสง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 ผู้ได้รับการจงรักภักดีผู้ซื่อสัตย์ณนะที่โน้นณนะที่พระผู้เป็นเจ้าและสหายของพวกเจ้าคือมุฮัมมัดนั้นไม่ใช่เป็นคนวิกลจริตแต่ประการใดและโดยแน่นอนมุฮัมมัดได้เห็นยิบรอีนนะขอบฟ้าอย่างชัดแจ้ง และเขามัวหมัดไม่ใช่เป็นผู้ตรณีในเรื่องเรนลับและอันกรุรอานนี้ไม่ใช่คำกล่าวของชัยตอนที่ถูกสาปแช่งและพวกเจ้าจะไปทางไหนเล่า อัลกุรอานนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชา ช, ชาติทั้งหมวลสำหรับบุคคลในหมู่พวกเจ้าที่ประสงค์จะอยู่ในทางอันเที่ยงตรงและพวกเจ้าไม่สมประสงค์สิ่งใดเว้นแต่ a ลล a h พระเจ้าแห่งสากลโลกจะทรงประสงค์